สวัสดีนะสา ม, มนเนรแล้วก็ศิรจารินีได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะพวกเราบวชนี่จำได้ไหมว่าเราบวดวันไหนสเก้าวันที่สิบเก้าวันนี้นี่วันที่เท่าไหร่ละเจดเราบวดวันอาทิตย์วันนี้คือวันศุกร์นะ อีกสองวันก็จะครบสามอาทิตย์ใช่ไหมเราบวชมาแล้วสิบเก้าวันหรือถ้านับวันบวชเริ่มตั้งนับวันบวชเป็นวันแรกก็ยี่สิบแล้วนะเพราะพวกเรายังไม่มีใครสึกเลยใช่ไหมรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่อดทนตั้งใจมากนะเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้นี่ กว่าจะมาถึงอาทิตย์ที่สามนี่ก็ศึกกันไปบ้างละเพราะว่าคิดถึงบ้านบ้างละพลความลาบากไม่ไหวบ้างละนะอดมือเย็นไม่ได้ก็มีแต่พวกเราก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็อยู่กันพร้อมหน้านะอันนี้ก็ถือว่ามีความอดทนนะแล้วก็มีความตั้งใจ เลอไม่กี่วันนะก็ขอให้บวชจนครบนะกำหนดศึกวันที่สิบสองเมษาหรือว่าใครจะบวชต่อก็ยิ่งดีนะเอาพวกเรามาที่ทุ่งกำมังนะก็คงได้เห็นบรรยากาศแล้วนะว่าป่าเนี่ยนะป่าที่มันเป็นป่าที่ เกือบจะสมบูรณ์นี่หน้าตาเป็นยังไงบางคนได้ยินแต่ชื่อนะแต่ไม่เคยเห็นป่าจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี่เราก็ได้มาเห็นป่าแล้วนะเขลรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวนีนะ่มีชื่อมากนะพวกเราอาจจะเคยไปเที่ยวป่าที่ เ, เรียกว่าอุทยานแห่งชาติเช่นเขาใหญ่ บางคนอาจจะเคยไป ต, ตัดตจรแต่อุทยานนี่กับเขตรัศมีป่าต่างกันนะไม่รู้มีใครบอกหรือยังนะอุทยานนี่เขาให้คนมาเที่ยวนะแต่เขตรัศมีป่านี่เขาจะสงวนเอาไว้เขาจะไม่ค่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่าไหร่จะเข้าจะออกนี่ก็ต้องมีการตรวจตา ไม่ใช่ง่ายนะที่เราจะมาพักแรมที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามตยเพราะที่ภูเขียวนะหาได้ยากพวกเราก็นับว่าโชคดีนะเราก็ได้มาเห็นนะได้มารู้จักได้มาสัมผัสป่าจริงๆมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงที่จริงที่เราเห็นนี่ก็ยังส่วนน้อยนะ ยังมีประเภทอันซีนอีกเยอะนะอเมซิงก็มากมายอันซีนก็เช่นช้างเนะี่ยหรือว่ากระสู่นะโรคเืองือกนะเสือพวกนี้ก็เป็นทั้งอันซีนแล้วก็อเมซิงนะแต่ถ้าเราโชคดีนะก็อาจจะได้เห็นแวบๆก็ได้เราก็ได้เห็นนะ หลายคนก็ได้เห็นขี้ช้างแล้วน ะ, ะใกล้ความจริงละพวกเราเนี่ยนะจะเชื่อหรือเปล่านะวัดป่าสุกโตเนี่ยที่พวกเราไปอยู่เนี่ยสองสามอาทิตย์เนี่ยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะมันก็ประมาณนี้นะเมื่อห0สิบปีที่แล้วเนี่ยถาป่าสุกโตก็ไม่ต่างจาก ทุ่งกำมังที่เราเห็นเท่าไหร่เราเห็นตอนนี้เนี่ยยังไงเนี่ยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วสุกโ ต, โตเนี่ยก็ยังงั้นแหละเต็มไปด้วยต้นไม้นะต้นใหญ่ๆแล้วก็มีสิงสาราราษฎร์มากมายหลวงพ่อคำเขียนนะรู้จักไหมหลวงพ่อคำเขียนนะอ่ะท่านเล่าว่า ตอนที่ท่านมาใหม่ๆเนี่ยนะก็คือประมาณสักสี่สิบปีที่แล้วนะสมัยนั้นเนี่ยสุโกโตมันยังไม่มีฝายนะไอ้ที่เราเห็นสระเนี่ยนะมันเป็นฝายนะมันไม่ใช่สระธรรมชาติแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นลำห้วยตอนหลังเนี่ยเขาก็สร้างฝายขึ้นมากักน้ำมันก็เลยกลายเป็นอ่าเป็นสรนะ แต่สมัยก่อนนี่ยังไม่มีฝายมันก็เป็นลําห้วยไหลผ่านหลวงพ่อท่านเล่าว่าสมัยนะั้นสุโกโต้ก็มีพระแค่ลูกสองลูกเท่านั้นแหละประมาณสามสี่โมงเย็นก็ต้องมามาส่งน้ําแล้วตรงตรงห้วยนะที่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นสระน้ําเนี่ยนะน้ําก็เย็นแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะก็จะมีกวางนะกวางมันก็จะมา ดูหลวงพว่ออาบน้ําส่งน้ําหมือนนะมันเห็นอยู่ทุกวันทุกวันจนทํามันก็คุ้นกับคนนะ mm hmm. ก็คล้เก้งกวางที่เราเห็นที่นี่แหละนะมันก็เข้ามาใกล้ mm hmm. สุกโตนี่นะมีเก้งมีกวางนะฮะสิบปีที่แล้วมันไม่เคยเห็นคนนะเดี๋ยวว่าแต่เก้งกวางเลยช้างยังมีเลย mm hmm. ประมาณสักปีสองศูนยเนี่ยนะก็เล่า ว, ว่า คนเก่าคนแก่หรือพ่เอมเนนึงก็เล่านะว่ามันเคยมีฝูงช้างอยู่ฝูงหนึ่งนะมันก็ไม่ได้ไปหากินไกลนะมันก็มาหากินแถวไร่ชาวบ้านสมัยนั้นเนี่ยตรงสาลาหอไตเน่ยรู้จักไหมหอไตบริเวณนั้นทั้งบริเวณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นไร่มันเป็นไร่ข้าวโพดชาวบ้านเริ่มมากันแล้วแต่ก่อนมันเป็นไร่ชาวบ้านนะมันไม่ใช่เป็นที่วัด เนไร่ชาวบ้านปูข้าวโพดควางมันก็มาหักข้าวโพดกินนะแม่กวางช้างช้างก็มาหักข้าวโพดกินบางทีหักจนกระทั่งไม่เหลือเลยนะชาวบ้านก็ไม่พอใจมีคราหนึ่งก็ยิงช้างยิงช้างตัวหนึ่งบาดเจ็บช้างตัวที่เหลือก็เลยพยุงนะหรือประคองประคองเพื่อนที่บาดเจ็บเนี่ยหนีไป ให้เราสงสัยมากเขาประคองยังไงช้างอ่ะช้างไม่มีมือนะช้างมีแต่ขาประคองยังไงเขาก็ว่ามันฮ<า>ะตัวเจ็บตัวที่เจ็บเนี้ยนะมันก็เหมือนกับอยู่ตรงกลางไอ้สองตัวที่แข็งแรงก็หนีบเอาไวนะ้นะนั่เรียกว่าประคองนะเมือนก็บแซนด์วิชนะนะหนีบเอาไว้นะหนีบบีบนะไอ้ตัวที่มันถูกยิงอะ่ะมันก็อยู่ตรงกลางไอ้สองตัวที่อยู่ข้างๆก็หนีบเอาไว้ แล้วก็ค่อยประคองนะเขาว่ามันรับแต น, นั่นมาช้างที่สุกโตก็ไม่มีล่นะเป็นภาพสุดท้ายที่คนเห็นเห็นช้างเนี่ยมันหนีไปเพราะว่าคนนี่มาคนมาลุกรานเขาช้างนี่เขาอยู่มานานแล้วนะคนนี่มาลุกรานแล้วก็ไปจับจองที่วันเนี่ยที่ของชั้นที่ของชั้น ส่วนช้างมันก็คิดว่าก็นี่ก็ีของชันเหมือนกันนะช้นก็ทำมาเรียกว่าหาอยู่หากินแถวนี้มานานช้างกลุ่มนี้นี่ก็เขาว่านะว่ามันก็อบพยบลงมานับแต่นั้นมาอพยพลงมาลงเขาเลยนะมันหนีคนแล้วเขาเขาเดา ว, ว่ามันก็คงจะมามาเรื่อยนะลอนแรงเรื่อยรื่อยมาจนกระทั่งคงจะมาอยู่ที่ ทุ่งกำมังนี่แหละเพราะว่ามันเป็นป่าก็เรียกว่าป่าที่อยู่ในในพื้นที่แบบเดียวกันนะภูมิศาสตร์แบบเดียวกันนะถึงแม้ว่าจะนั่งรถห่างกันสามชั่วโมงนะแต่ว่าสมัยนั้นป่านี่มันเป็นผืนเดียวกันนะป่าทุ่งกำมังบุทยานน้ำหนาวไปจนถึง สุกโตเนี่ยนะคลาภูแลนคาเนี่ยมันเป็นป่าพื้นเดียวกันนะสมัยก่อนนี่ป่ามันผื้นใหญ่มากมันต่อกันนะเป็นล้านล้านไนระ่เนี่ยก็คิดว่าเนี่ยป่าไอช้างสุกโตเนี่ยก็คงจะอพยพมาเสร็จ แ, แล้วคงจะมาลงเอยที่นี่แหละเพราะวันปลอดภัยตอนที่หลวงพ่อมาสุกโตใหม่ๆเนี่ยปีสองหกเนี่ยนะ ตรงหอไต่เดิมนะหอตายเดิมนะเมนะี่ยไอหอต่เนี่ที่เราเห็นตรงเนี้มันเป็นที่ใหม่นะแต่ก่อนมันอยู่บนเขาแต่ก่อนหลวงพ่อนี่ก็ไปเป็นนอนตรงนั้นแหละนอนบนเขาอตรงหน้าหอตายเดิมเนี่ยยังยังมีกระโหลกช้างอยู่เลยมีกระโหลกช้างเสียดายนะไม่ได้เก็บเอาไว้นะเพราะเราคิดว่ามันธรรมดาถ้าเก็บไว้ก็ดีมันเป็นหลักฐานว่าสมัยหนึ่งเนี่ย สุกโตเคยนะเป็นบ้านช้างนะมีช้างอาศัยอยู่ไม่น่าเชื่อนะสุกโตนี่เคยมีช้างนะนะให้เราย้อนนึกไปนะห้าสิบปีที่แล้วนี่นะสุกโตก็แบบนี้แหละไม่ใช่ว่าสุกโตที่นะหมู่บ้านนะกุดงงนะที่เราไปบินธบารถ้ามาไฟมันก็เป็นป่าทึบเลยนะห้าสิบปีที่แล้ว เดีย๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าสุกโตมันเคยเป็นป่าทึบมาก่อนป่ามันหายไปไหนนะป่ามันหายไปไหนก็คนนั่นแหละคนขึ้นมาหักล้างถังพงนะเรื่องหักล้างถังป่าเดียวก็แต่ก่อนมันไม่มีพงนะมันมีแต่ป่าหญ้าพงนี่มันไม่ค่อยขึ้นหรอกเรื่องหักล้างถังป่ามันเริ่มจากการมาทาไม้ก่อน นะทําไมนะ้พวกเรานี่เดี๋ยวนี้นึกภาพไม่ออกนะว่านะเดี๋ยวนี้คนไทยมีการทําไม้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้เขาห้ามทําไม้แล้วนะทั้งประเทศห้ามทําไม้เขาประกาศตั้งแต่ปีสามศูนยะ์นะก่อนพวกเราเกิดอีกเพราะฉะ น, นพวกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกว่ามีการทําไมใ้ในเมืองไทยเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะทำไม้เขาทำยังไงทําไม้นี่ไม่ได้ว่าทําเอาไม้มาทํานะ แต่หมายถึงว่าตัดไม้นะคำว่ า, าทำไม้เนี่ยนะมันแปลว่าตัดไม้นะประมาณตั้งสี่กว่าสิบปีที่แล้วเขาก็มีบริษัทมาทำไม้มาตัดไม้แถวตั้งแต่นอนตากต้ตนท่าหินงมนะไล่ลงมาอะไรขึ้นไปนะจนกระทั่งถึงตาดลินทองนะตาลินทองก็ที่วัดป่ามหาวันนี่แหละก็ไปกันนะอีกนะ ตัดไม้แต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาหรอกเพราะว่ามันเป็นป่าดงดิบนะเพื่อป่าดิบแล้ง ท, ทึบมากไม่มีใครขึ้นมาทามาหากินบนบนหลังเขานะที่สุก โ, โตเนี่ยบริษัททำไม้เขามาก่อนทำไม้เขาก็มาตัดไม้ไอ้เส้นทางที่เป็นถนน น, นะนะที่เราบินทบาทเนี่ยที่ขุดงองอะ่ะ ถาอาไฟเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางชักลากไม้รู้จักไหมชักลากไม้เนี่ยคือลากไม้ขนไม้นั่นแหละแต่ก่อนเา้าเขาลากไม้ด้วยช้างนะแต่ต่อหลังเนี่ยเขาไม่เาไม่ลากแล้วเขาขนขึ้นรถไปเลยนั่นแหละเป็นเส้นทางขนไม้นะพอตัดไม้ทำไม้เสร็จชาวบ้านจากเชียงต่างก็ขึ้นมาถ้าไม่มีการทำไม้นี่ชาวบ้านขึ้นมายากนะเพราะว่าไม่มีถนน ไม่มีเส้นทางนะชาวบ้านนี่ไม่มีปัญญานะจะขึ้นมามาทำทางมาหักร้างถางป่าเนี่ยพอมีทางแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ขึ้นมาตามทางนี่แหละนะแล้วก็เริ่มมาหักร้างถางป่ามาทำไร่คนเท่าคนแก่เขาเล่านะเขาเล่าว่า ขนาดนี่ป่านี่มันถูกถูกตัดไม้ไปแล้วนะป่านี้ก็ยังมีต้นไม้เยอะอยู่เวลาเขาจะหักล้างถางป่านี่็ทําทำยังไงรู้ไหมเขาไม่มีเลื่อยไม่มีเลื่อยไม่มีเลื่อยยนนะเขาใช้วิธีเลื่อยเลื่อยต้นไม้ทีละต้นทีละต้นถามว่าทำไมเลื่อยทาไมไม่เผาเผาไม่ได้นะมันชื้นมากมันชื้นมาก จุดไฟเผายังไงมันก็ดับนั้นต้องตัดอย่างเดียวเลยตัดด้วยมือแต่เขาไม่ตัดให้ขาดนะเขาตัดพอเขาเลื่อยพอให้มันเกือบจะขาดต้นแล้วต้นเล่าเขาก็จะเลื่อยให้พอให้พอให้เกือบจะขาดทํอยางี้สักเป็นเดือนนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเลือกต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งต้นที่มันสูงสูงที่สุดเลยนะ แล้วเขาก็จะเรื่อยให้ขาดเลยเพื่ออะไรเพื่อมันเพื่อให้มันโค่นลงมาพอเป็นโค่นลงมามันก็จะกวาดเอาไม้ต้นอื่นๆให้พังคื่ลงมาด้วยไอ้ต้นอื่นๆเนี่ยมันเกือบมันถูกเรื่อยเกือบจะขาดอยู่แล้วนะพอโดนไม้ใหญ่โค่นลงมามันก็กวาดเอาไอ้ไม้ใหญ่ก็กวาดเอาโคลล่นเอาต้นไม้อื่นโค่นลงมาด้วยนะเขาเยกเป็นโดมิโนโ น, นะ หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเสียงดังเนี่ยเสียงดังพอไม้ล้มเนี่ยดังเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะแปลว่าต้นไม้เยอะมากเลยนะนี่ขนาดทาไม้ไปแล้วนะขนาดทาไม้ไปเขาตัดไม้ไปเยอะแล้วนะต้นไม้ก็ยังเยอะอยู่ต้นไม้ก็พังคือลงมามันก็มันก็กวาดเอาต้นไม้ต้นอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆให้โค่ลงมาด้วย นึกภาพนะมันเจอเป็นภาพที่โอ้ยต้นไม้นี่มันโค่นล้มละเกละกะกองอยู่บนพื้นเป็นซุงทั้งนั้นเลยนะไม้ราคาแพงไม้พยุงไม้ไม้ยางนะตะเคียนตะแบกมะค่าพวกนี้มันพังมลงมามันพังลงมาหมดเลยนะชาว บ, บ้านบอกว่าเนี่ย เวลาเดินนี่นะเท้าไม่เหยียบพื้นอนะนะเวลาเดินเนี่ยเท้านี่ไม่เหยียบพื้นนะเท้านี่มันจะเหยียบแต่กองกองซูงเนะี่ยและมันมีช่องว่างตรงไหนนะเขาก็จะหยอดหยอดถัว่วห้ยอดหยอดถัว่วหยอดเข้าวโพดนะลงไปตรงช่องที่มันว่างอนะ่ะช่องว่างระหว่างซุงอ่ะนะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมัน ต้นไม้นี่มันกองกะเกละกะแน่นไปหมดเลยแต่มีช่องว่างพอให้ยอดยอดพวกพืชพืชผลนะพืชเศรษฐกิจนะเช่นข้าวโพดหรือว่าลูกเดือยนะสมัยก่อนก็ปลูกเดือยกันเยอะและ้วพอเป็นโตขึ้นมาก็ค่อยเก็บเกี่ยวพอถึงหน้าแล้งก็เริ่มเผาแล้วเนี่ยเงินทั้งนั้นนะนะต้นหนึ่งแต่ละต้นนี่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะ เพราะมันเป็นไม้ราคาไม้มีค่ามาแต่ว่าชาวบ้านนี่เขาไม่รู้อยากไปทำอะไรมันเยอะมากเขาก็เผาแค่นั้นแหละจะเลื่อไม่มีปัญญาเลื่อต้นมันใหญ่เผาหน้าแรงนะจะไดใ้ให้ที่มันเตียนก็จะได้ปลูกปลูกข้าวโพดมาปลูกด้อยตอนหลังก็เริ่มปลูกมันนะแต่ก่อนจะไม่เล ไ, ได้ปลูกมันสัมหลังนะปลูกข้าวโพดเน มันก็เลยสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะป่าก็หายไปหมดต้นไม้ที่เขาตัดเนี่ยนะเขาตัดไปทำอะไรนะที่บริษัททำไม้เขาตัดไปขายส่งออกนอกนะส่งนอกเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยนะเรามีรายได้จากต่างชาติเนี่ยก็จากการขายไม้นะไม้ศักด์ไม้สารพัด กพราะเมืองไทยแต่ก่อนนี่มันมีแต่มันมีแต่ต้นไม้ป่าทั้งประเทศเลยเหมือนกับพม่าเนี่ยเมื่อเหมือนกับเมื่อเหมือนกับพม่าเมื่อยี่สิบสาสิบปีที่แล้วต้นไม้ที่เราตัดเนี่ยก็ไปขายขายก็ได้เงินมาเอามาทําไมเอามาพัฒนาประเทศสร้างถนนสร้างเขื่อนผลิตโรงงานไฟฟ้าข้าวโพดเอยมันเอยที่ปลูกนะจากการตัดไม้เนี่ย ก็เอามาขายส่งออกรวมโดยเฉพาะมันสัมปัหลังนี่ส่งออกโอ้ยรายได้ดีมากนะรายได้นี่มากกว่าข้าดสมัยก่อนห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยรายได้ของประเทศนี่ได้มาจากการส่งออกข้าวขายข้าวขายไม้ขายดีบุกยางพาราแต่ข้าวปอันดับหนึ่งเลยนะ รายได้หลักของประเทศเนอันดับหนึ่งคือข้าวกรองลงมาคือไม้นะตอนหลังก็เป็นมันสำปะหลังมันสํำปะหลังก็แรงข้าวเราได้เงินตาต่างประเทศมาเราก็เอามาพัฒนาประเทศสร้างถนนนะสร้างตึกเนะฉะนั้นที่เราที่กรุงเทพเนี่ยมันมีถนนเยอะๆเนี่ยมันมีตึกมากๆเนี่ย รวมทั้งตามเมืองอย่างต่างเนี่ยไอ้พวกนี้มันได้มาจากได้มาจากป่านะป่าที่เราเคยมีมากมายเนี่ยมันแปลสภาพกลายเป็นปูนนะกลายเป็นถนนกลายเป็นตึกรามบ้านช่องนะกลายเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้านะ แค่พวกเรานี่เป็นที่พวกเราเป็นคนเมืองนะใครที่อยู่กรุงเทพใครที่อยู่ตามเมืองใหญ่ๆนี่ที่เราสุขสบายนี่เพราะว่าเราเพราะพะป่าน ะ, ะเราเราทำลายป่าเพื่อจะได้มีมีเงินมาพัฒนาประเทศแต่ทุกวันนี้นี่เรายังพัฒนาไม่พอนะ เราคิดว่าเรายังพัฒนาไม่พอก็เลยต้องทำลายป่าอีกตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องรักษาป่าเอาไว้พวกเรานี่มาที่นี่เนี่ยก็อยากให้มาเราลึกว่าเราเป็นนี่บุญคุณป่านะทั้งป่าที่มันกลายเป็นอดีตไปแล้วป่าที่มันเคยปกคลุมแถวสุกโตหรือว่าแถวหลังเขานแล้วก็ อีกมากมายหลายแห่งนะเราเป็นนี่บุญคุณป่าเหล่านี้นะที่มันเป็นอดีตไปแล้วรวมทั้งป่าที่ยังอยู่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยพวกเราได้ฟังแล้วใช่ไหมที่หลวงพ่อเล่านะว่าป่านี่เนี่ยเขาเขาอยู่มานานแล้วเขาอยู่มานานก่อนเราเกิดอีอยู่มานานก่อนพ่อแม่ของเราเกิด อยู่มานานก่อนปู่ย่าตายายของเราเกิดาอยู่มานานนะก่อนมีประเทศไทยนะอยู่มานานก่อนจะมีมนุษย์สิกนะมนุษย์เราเนี่ยนะมันเพิ่งนะมีขึ้นเนี่ยประมาณแค่สองแสนปีนะั่นแหละอันนี้หมายถึงมนุษย์สมัยใหม่นะถ้ามนุษย์ลิงนี่ก็สองสามล้านปี แต่ป่านี้เขาอยู่มานานแล้วหลายร้อยล้านปีเนี่ยป่านี่เขามาก่อนเราแต่พอมนุษย์เราเกิดมาเราก็เราก็พากันทําลายป่าเพราะบอกว่าเนี่ยที่ดินของเราเราไปจับจองที่ดินเราก็บอกว่าที่ดินของฉันต้นไม้ก็ถูกตัดต้นไม้ถูกตัดสัตว์ก็ถูกฆ่าป่าก็ถูกทําลายเพราะ มันเป็นที่ของฉันนะไอความคิดแบบนี้นี่มันเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวนะแล้วก็โง่เขลาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนี่โลงนี่มันเป็นของธรรมชาติเป็นของป่านะเขาอยู่มานานแล้วมนุษย์เรานี่มันเพิ่งมาทีหลังนะมาทีหลังก็มาจับจองแล้วบอกว่านี่ป่าของฉันนะเรามาที่นี่เนี่ยนะก็ให้เราสำนึกนะว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะที่นี่นี่เราเป็นผู้อาศัยนะที่นี่เราเป็นผู้อาศัยที่นี่มันเป็นบ้านเป็นบ้านของของต้นไม้เป็นบ้านของป่าเป็นบ้านของช้างเป็นบ้านของนกเงือกของเก้งของกวางเวลาเรามานี่ เวลาเราไปบ้านใครนะัเราก็ต้องรู้จักมารยาทนะเราเป็นแค่ผู้มาอาศัยหรือเป็นผู้มาเยี่ยมเยือนเราก็ต้องรู้จักเคารพสถานที่เรามานี่เนี่ยให้เราเจียมเนื้อเจมตัวนะว่าเราเนี่ยเป็นแค่ผู้มาอาศัยนะเวลาเราไปเข้าไปในป่าแล้วก็ให้ระลึกว่าเขาเป็นเจ้าของบ้าน เราต้องเคารพเขาเวลาเราจะไปไหนเข้าไปในป่านี้ก็ขยะขยะ ก, ก็อย่าไปทิ้งนะเมื่อตอนกงบาก็บอกไว้แล้วว่าเนี่ยเวลาเข้าป่านี้ก็ให้คิดว่าเตือนตัวเองว่าเราจะไม่ทิ้งอะไรนอกจากทิ้งรอยเท้าไว้นะเราจะไม่เก็บอะไรนอกจากเก็บภาพหรือเก็บความทรงจําอันนี้เป็น นะเป็นเป็นมารยาทนะเวลาเราไปป่าไม่ใช่เฉพาะป่าที่นี่ที่เดียวนะไปป่าที่ไหนเขาใหญ่ตาโตนเราก็เป็นผู้อาศัยเราเป็นผู้อาคันตุกะเราก็ทิ้งแต่รอยเท้าเราไม่เราไม่ทิ้งขยะเราไม่ทิ้งพลาสติกจะเก็บอะไรก็เก็บแต่ความเก็บความทรงจำดีๆไว้ หรือถ้าโกจะเก็บไม่ดีก็เก็บเป็นภาพเอาไว้อันนี้ได้นะแต่อย่าเก็บอย่างอื่นยิ่งไปตัดยิ่งไปทำลายยิ่งไม่ควรใหญ่นะก็มานี่ก็ให้เรามาเรียนรู้นะในเมื่อเรามาป่าแล้วก็ให้เราเรียนรู้เรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้คุณข้างธรรมชาติต่ะละก็พอสมควรจะเวลาแล้วนะก็เอาท่อนนี้ก่อนแล้วกัน